ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั่นคือการอ่านพุทธปรชนะโดยพระภิกษุมาร์กชากาวโรและนี่คือช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธปจนะณะในวันนี้ครัพเจ้าพระพิบูลก็ามาพบกับท่านผู้ฟังคนเดียวเดี๋ยวคุณสันสณีก็จะมาตอนแต่ใต้รายการวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาสนิษฐ์ เ, เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีครวญจ้าโยม ก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการไปเที่ยวอินเดียหรือจะมีการชักชวนไปที่อินเดียนี่แหละก็ทำให้ตัวคราพเจ้ามาคิดถึงว่าจริงๆแหล่งกำเนิดของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นหลายๆท่านก็ว่าเป็นอินเดียคือชมพูทวีปใช่พระพุทธาจาก็ยังยืนยันถึงสังเวชนิยสถาน4นั่นคือสถานที่ที่ประสูน ตรัสสรุปปิพนิพัทธ์แล้วก็แสดงธรรมจักรซึ่งต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ในอินเดียต่างๆอนตอกเหฉียงเหนือหรือทางค่อนข้างไปทางเหนือทีนี้ในแง่มุมของธรมรมะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมีจุดกําเนิดอยู่ที่ใจของเราแนอๆกุญแจของพระองค์นั่นแหละแใจของพร ะ, ระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็มีจุดกําเนิดมาจากตรงนั้นในความเป็นพระเจ้า สอนเวลาสอนก็สอนจากใจนี่แหละาการบัญญัติออกมาจะเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องราวของธรรมะมากบ้างน้อยบ้างแต่น้อยน้อยสุดต่อกันนับได้หนึ่งคือ ใ, ใจมากขึ้นไปก็เป็นสองคือสมถธาวิปัสสนามากขึ้นไปก็เป็นสี่สมาธิปัญญามากขึ้นไปก็เป็นอริยสัจสี่มากแปดโพชฌงเจ็ไปเรื่อยๆเลยเยอะแยะไปหมดและเป็นศิกขาบทที่มีหลายร้อยหลายพันศิกขาบทด้วยกัน เพราะฉนเวลาที่เรามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเ อ, อ่อเทอจะเข้าถึงแก่นคําสอนจริงๆนั่นก็คือที่กายกับที่ใจของเราเนี่ยเองกายของเราใจของเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่างเวลาท่านฟังฟั ง, ออฟงข่าวสารวิทยุในทางรายการนิก า, ามนะที่ f m ฟเอนี้ซึ่งก็มีข่าวสารต่างๆมากมายหรือว่าฟังจากที่อื่นนําไปที่ทางานต่างๆเหล่านี้ เราฟังฟังไปเนี่ยมันมีธรรมะอยู่ในที่นี้ทำนั้นแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งแล่นเข้าไปสู่ใจของเรานักบุญชอบพูดถึงอินทรีย์เนี่ยเป็นที่แล่นเข้าไปสู่ใจใจของเราเป็นยังไงแต่มันก็ไปรับรู้สิ่งที่มันกระทบทางหูบ้างรับรู้ตาที่ไปเห็นรูปบ้างเวลาเขาชีาาา้หน้าด่าเราไกลๆโน้ยังไม่ทันฟังเสียงเริ่มมีอารมณ์นพอได้ฟังเสียงอารมณ์มันยิ่งปี๊ดขึ้นมา นะเราก็ต้องคอยระวังจิตของเราเพราะอินทรีย์ในการกระทบต่างๆเหล่านี้แล่นเข้าไปสู่ใจนตะใจรับรู้แล้วเราจะทํางไงกับมันแตนะถ้าเรารับรู้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยใช่ไหมไหลไปตามสิ่งที่มากระทบแตนะ่เราก็จะถูกเจ้ามารนะมารเนี่ยมันจะใช้ช่องทางทางหูบ้างทางตาบ้างแตนะ่เด่นี้ไม่ใช่แค่ทางหูทางตายอย่างเดียวมันยังมาทางโทรศัพท์มือถือ sms facebook twitter ต่างๆมีหมดเลยแตนะเข้ามาดึงเราดึงอะไรเรา ดึงใจของเราดึงศูนย์กลางของคําสอนเลยนะมาเล่นที่ศูนย์กลางของคําสอนของพระเจ้าเลยโอ้โหมันเล่นหนักเงินแต่มันจัดการยังไงมันก็จะเข้ามาดึงจิตของเราไปดึงไปไหนไปทางหูบ้างทางตาบ้างทาง Facebook บ้าง Twitter บ้าง อ, อะไรบ้างเอาไปทำอะไรเอาไปโขกไปสับไปปุยยี่ปุยยํานะตามอะไรตามสิ่งที่มันต้องการพระเจ้าเปรียบเทียบกับเจ้าของสวนผักแล้วก็ปลูกผักเอาไว้อย่างงามเลย เขาปลูกนี่เขาไม่ได้ไปเลี้ยงกวางหรือเลี้ยงเนื้อสายนะกวางเนื้อสายนะแต่เขาปลูกเพื่อที่จะล่อให้มันมากินแล้วล่อมันมากินเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะจับกวางเนื้อสายน์ไปทำสิ่งตามที่ตัวเองประสงค์เหมือนกันนะม่านนี่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับเจ้าอ่าเจ้าของสวนผักนะไอ้กวางเนื้อสายน์ก็เปรียบเสมือนเร า, เร า, เราท่านๆ น, นี่แหละที่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์นะเราเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่อย่าไปตกเป็นเหยื่อของม่าน ในการที่จะถูกดึงล่อลวงฉุดจิตของเราเออกไปผปุยีปุยย่ำดังนั้นเวลาอินทรีย์แล่นเข้ามาแล้วมากระทบจิตของเรานะเราต้องมีสติแตพระเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติแตนะ่ถ้าจิตไม่แล่นไปสู่สติแล้วเนี่ยมันจะถูกมารดึงไปนะมารเนี่ยจะได้ช่องไม่ทางต่างก็ทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งนะได้ไมาแล้วทำไงมันก็จะเป็นที่ชอบแจของมันลนะแต่ถ้าจิตของเรามีสตินะสติอยู่กับอะไร สติกับลมหายใจถูกต้องใน่ยิ่งตอนที่ท่านมาร์กพาดับตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการนะให้เรามีสติในลมหายใจใช่ไหมจิตของเราใช่ไหมสติใช่ไหมอยู่ด้วยกันนะคืออาการที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจระลึกถึงลมหายใจอย่างเดียวเลยเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าอาการนั้นคือจิตของเรานี่มีสติละแล้วจิตของเรามีสติอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าไงก็หมายความว่ามันก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบแต่เวลาที่เราจะระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีคนมาทำให้เราเจ็บช้าน้ําใจคิดแล้วคิดอีกคิดคิ ด, คดซ้ำซำ้ย้ำย้ำจนเป็นโรคซึมเศร้าหรือที่เขาเรียกว่าย้ําคิด้ดทํานั่นก็คือว่าเราเนี่ยถูกดึงออกไปเรื่อยๆแั้วตูดึงออกไปเรื่อยๆมันก็เจ็บอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็เอามีดมาเสียบออกตัวเองอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่านะดึงออกมาจะเจ็บกว่าไปอกดึงมาเสียบก็ไปอกแต่เนะพราะเราไปหาแต่สิ่งที่มันคิดแล้วมันจะเจ็บใจปวดใจนะเราจะทําทไงไม่ให้จิตของเราไปคิดได้นั่นแหละคือประเด็นเพราะว่า จิตของเราจริงๆแล้วฟังลองดูเอ้าแล้วเราสามารถควบคุมจิตของเราได้ไหมต้องการจะคิดเรื่องนี้เวลานี้มันคิดได้ไหรอไม่ไม่ต้องการคิดเรื่องนี้ในเวลานี้เราไม่คิดได้ไหม น, นี่แหละคือความที่เราจะต้องมีมีอำนาจเหนือจิตแต่มีอํานาจในือจิตในการที่จะคอยที่จะบังคับควบคุมจิตใจของเราให้ได้ แ, แต่จิตเนี่ยอยเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยจะไปนั่งแล้วก็บังคับจิตทํากิ้วขมวดบิด แล้วบิดอีกเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะจิตมันไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีตัวตนอะไรที่เราจะไปบังคับนะถ้าเราจะพยายามที่จะบังคับเราจะเจ็บเองเราจะปวดหัวเราจะเป็นวิปราชเราจะคิดฟุ้งซ่านแต่ก็บิดวิปราชนี่ก็อย่างหนึ่งนะคือถ้าเราเห็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนนี้ขึ้นมาอย่างจิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนใช่ไหม αι? เป็นอนัตตาใช่ไหมเรามาคิดว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราเนะราจะไปบังคับกู่เขียนใส่มันเป็นอย่างนัง้นอะย่างนี้คุณเริ่มวิปราชแล้วแต่ความวิปรัชตรงนี้ ไปถึงความที่เข้าใจยังไม่ถูกต้องตามที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วว่าจิตมันเป็นอนัตตานะเอายังไม่ต้องเข้ า, ขาใจก็ได้เอาแค่จําไว้ก่อนก็ได้นะจำไปแล้วแล้วไงไหเร า, าก็พยายามที่ให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับสตินะมีอยู่กับสติโดยการทําอย่างเป็นธรรมชาติไหธรรมชาตินี่ก็คือว่าไม่ต้องเกรงไงไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนนะไม่ต้องที่จะเอ่อเรียกว่าเพ่งเกินไปจริงๆแล้วคําว่าเพ่งนี่ต้อง ขยายความกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพ่งนี่ถ้าเป็นภาษาบาลีที่พุทเจ้าใช้เนี่ยก็หมายถึงชา่นั่นเองนะชาญคือการเพ่งแต่เป็นสิ่งที่พุทเจ้าเรียกถึงแต่พอมาใช้กำว่ภาษาไทยเนี่ยคำว่าเพ่งเนี่ยมันเกิดมีความหมายที่แฝงในแง่ลบอยู่นิดนึงนะคือคําว่าเพ่งเนี่ยมีการแฝงของคําว่าบังคับเอาไว้ด้วยแต่จริงๆแล้วชาญเนี่ยไม่ได้มีการบังคับดังนะะนั้นคําที่ควรจะใช้น่าจะถูกต้องกว่าในสมัยปัจจุบันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงคำก็ใช่ผิดก็อาจจะใช้คำว่าเอาใจจดใจจาะเอาใจจดใจจาะนี่ไม่ได้เพงนะแต่ไม่หนีไปไหนเหมือนกันไม่ได้ต้องฝืนนะแต่ทําอย่างใจจดใจเจาะเพราะนั้นเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยเวลาสิ่งมากระทบเนี่ยเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยคือให้อาใจของเราเนี่ยเอาใจจดใจจาะอยู่กับลมหายใจของเราไม่ให้มันหนีฟุ้งซ่านไปทางไหนเวลาที่เราเอาใจจดใจจาะกับลมหายใจของเราเนี่ยนะมีสิ่งอดมากระทบปุ๊บเนี่ย จิตขเราจะไม่ถูกดึงออกไปคือเวลาที่มีอะไรมากระทบเนี่ยนะถ้าเป็นพสัตที่แรงมากอย่างเช่นว่าฟ้าผ่าตึมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นข่าวร้ายมากจริงๆเนี่ยเราถูกดึงไปแรงๆเนี่ยเราก็ลืมหลงไปใจเป็นทันทีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆสิ่งที่มากระทบเนี่ยจะค่อยๆดึงเรามากขึ้นในสิ่งที่เรามารู้หลงไปใจอยู่ก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยล ง, ลงนะเป็นลักษณะของดนะีเจหรือว่านักเปิดเพลงที่เขาเปิดเพลงเนี่ย อย่างในรายการวิทยุเนี่ยนะเขาจะเปิดเพลงสลับเพลงไปเนี่ยก็จะค่อยๆเบาเสียงเพลงแรกลงแล้วค่อยๆทําเสียงเพลงที่2ให้มันดังขึ้นและให้มันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นก็เรียกว่าเฟดดิ้งแต่เช่นเดียวกันเวลาที่จิตเราค่อยๆคลายความระลึกรู้ในลมหายใจนะในขณะเียกันจิตของเราก็ค่อยๆเพิ่มความระลึกรู้ในเสียงอื่นที่มากระตุต่างๆอย่างนี้แตนะเราจะต้องเวลาที่มันเริ่มเฟดลงเนี่ยเริ่มเบาบางลงเนี่ยเราต้องมีสติระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่ตลอดเวลาละ เนี่อันนี้เปรียบที่เหมือนกับเวลาที่เราใช้ว่นขยายเนี่ยท่านฟังวั้นขยายหรือเลนส์นูนเนี่ยซองรวมแสงเนี่ยนะซองรวมแสงเนี่ยถ้าเราจุดโฟกัสหรือจุดรวมแสงจุดใหญ่ๆเนี่ยนะเอ่อก็คือเหมือนกับเราเห็นพื้นที่ได้มากใช่ไหมแต่ว่าประมาณความเข้มข้นของแสงก็น้อยแต่ถ้าเราซูมให้เล็กเลยเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ไ อ, ไ, อไอจุดที่โดนแสงเนี่ยก็จะน้อยแต่ความเข้มข้นของมันมากเพราะฉนั้นเวลาที่เรามาเริ่มรู้ลมาใจน้อยลง น้ยลงก็หมบยว่าไอ้ความเข้มข้นตรงนั้นน้อยลงแต่ไอ้ความที่เราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี่มันก็มากขึ้นมีเสียงเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็คอยปรับสํารุลของจิตของเราตรงนี้เพื่อที่จะให้จิตของเราในเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ามีสติอยู่ได้สติตรงนี้นะท่านผู้ฟังสําคัญมากเลยนะเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าตอนนั้นตรัสรูล้ล่ะมันนั่งคิดอยู่ว่าจะสอนเรื่องอะไรดีหลังนะจากที่สามบริพรมเนี่ยมานิมนต์แล้วใช่ไหม ก็มานั่งคิดว่าจะสอนสอนสีสอนเรื่องอะไรดีในเพื่อที่ให้สัตว์ทั้งหลายพ้ทุกได้ก็ได้คำตอบมาว่านั่นคือสติปัฏฐานนั่นเองในสติปัฏฐาน4หรือสตินั่นเองเป็นทางอันเอกในเวลาที่เรามามีสติอยู่เนี่ยคือแค่เรามารู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไอคำ ว, ว่ารู้เนี่ยนะคำ ว, ว่ารู้เฉยๆเนี่ยคือเราไม่ได้ตามนะไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกนี่คือพยายามที่จะซ้ําเรื่อ ง, องการปฏิบัติ ทีพ่พื้นฐานพื้นฐานนีท่านฟังฟังนะเพราะเดไหนวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องมีการถามตอบอะไรก็ปฏิบัติเลยนะปฏิบัติต่อเนื่องกันมานะพอเรามารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยคือไม่ได้ตามลมไม่ได้บังคับลมเวลามีสิ่งใดมากระทบอ่าไม่ใช่แค่ลมหายใจก็ได้เวลาเราพูดเราฟังเสียงเราดูทีวีเราทํางานเราอยู่ในที่ประชุมเราพูดในที่ชุมชนอยู่เนี่ยเออเราจะมีสติได้ไงเพราะว่าบางทีลมหายใจมันติดขัดอย่างตัวข้าพเจ้าเองตอนนี้ พูดเข้าพูดออกอยู่เนี่ยพูดเข้าพูดออกอยู่ลมหายใจมันไม่ได้ต่อเนื่องแน่นอนเออแล้วถาว่าลมหายใจไม่ต่อเนื่องนี้แล้วจะมีอนาปานสิตได้ไงนี่มีหมอเขเคยมาถามแนละ้วก็มาถาม ue, ita, ว่าเออจังหวะที่ลมหายใจออกแล้วยังไม่เข้าเนี่ยตรงนั้นมันมีหยุดอยู่นิด น, นึงหรือจังหวะที่ลมหายใจเข้าแล้วกาลังจะออกแต่ยังไม่ออกเนี่ยมันหยุดอยู่นิดนึงใช่ไหมตรงนั้นไม่มีสัมบัติของลมหายใจแล้วแลถามว่าเออเราไม่มีสัมพัน์ของลมหายใจอย่างเงี้ยเราจะมามีสติอยู่ได้ไงสามารถเจริญอนาปนสิตได้ไงนนี่คือประเด็ นั้นล้มหายใจเนี่ยก็ อ, อนาปานะเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในการที่ให้จิตของเรามีสติในที่สําคัญนะดินแดนเกิดของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่จิตนะจิตของใครก็จิตของใครก็เหมือนกันนั่นแหละนันะมีสภาวะอย่างเดียวกันมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนั่นะจะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าในะที่ฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมาจน ง, ง, งเป็นสมะสมุทาแล้วเนี่ยนัตั้งแต่ยังไม่บริสุทธิ์จนมาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาพจิตอันเดียวกันที่เรที่เรามี มีอาสวะเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันละอาสวะได้เหมือนกันละกิเลสได้เหมือนกันทําความเพียรได้เหมือนกันมีศรัทธามีสติได้เหมือนกันในเวลาที่เรามีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือสติแตไม่ใช่ลมหายใจในเวลาที่เรามามีสติเนี่ยคือเราให้เรานิ่งอยู่รู้อยู่คือหมายความว่าไม่ตามไปไม่ตามสิ่งที่มากระทบไม่ตามเสียงที่ได้ยินไม่ตามสิ่งที่พูดไปนะไม่ตามคําถามที่ถามมาแล้วก็ไม่เตลิดเปลืเปลืองหนีไปนะไม่กลัว ไม่หนีนะไม่สู้ไม่ทำอะไรนะสภาวะอย่างนั hmm. ้นน่ะคือการที่เรารู้อยู่เฉยคือไม่ตามไปนี้กันหนึ่งะไม่หนีไปวิ่งหนีไปนี้ก็อันสองนะอะไรที่ไม่หนีไม่วิ่งไปหาเข้าหาไม่หนีหลีกนีเอาไปนั่นคือรู้เฉยรู้นิ่งน่งอยู่เวลาที่เรารู้นิ่งๆ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสให้จิตของเรานี่มีการทํางานในการทํางานเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามีงานตามให้มีเครื่องอยู่ เดี๋ยวผู้ชมเราก็ใช้เครื่องอยู่กลโลหมายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู día, então, ่ในการที <strom> ่จะอยู <than> ่ตลอดปัญหาเครื่องอยู่นี่หมายถึงเหมือนบ้านอย่างเงี้ยเวลาจิตเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปปรุงแต่งนั่นนี่บ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของจิตในจิตที่ยังควบคุมไม่ได้ก็ไปบ้างแต่พอเรารู้ตัวเมื่อไหร่ให้เรากลับมาอยู่กลลหมายใจนี่คือลักษณะของความเป็นเครื่องอยู่เดีเครื่องอยู่คือเหมือนบ้านเดีเราไปไหนนั่นนี่นู่ก็กลับมาบ้านอยู่เรื่อยไปไหนนั่นนี่นู่นก็กลับมาบ้านอีกเดีไปเที่ยวไปกินไปโรงเรียนทที่ํางาน ไปต่างจังหวัดต่างประเทศเดีย๋ยวดีก็กลับมาบ้านในช่นเดียวกันเราอาจจะไปคิดนั้นนี้ได้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราก็กลับมาบ้านที่ลมหายใจแล้วในระหว่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามความคิดแต่ไม่ได้ตามความคิดหมายความว่าไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในนั้นนะไม่ได้ขยักขยั่งไม่ได้หนีไปอั น, นนี้ไปก็คือข ย, ข ย, ขยักขยั่งเกลียดชังนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นทั้ง2 อ, อย่างนี่ก็คือสภาวะที่เรารู้อยู่ยเฉยเวลาที่เรารู้อยู่ยเฉ ย, อ ย, อ, ย, อ, ยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะ เรียว่ามีสติละนะไอสติรู้อยู่เฉยเนี่ยเรารู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้จนกระทั่งหมดเนี่ยนะนั่นนะคือบีมุดหมายความว่ารู้หมดไงรู้ราบรู้หมดนั่นคือบีมุดประเด็นปริชาจงบุกสติเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่บีมุดเล่นไปแล้วนะเราก็ถ้าเราเข้าถึงอวิชาละอวิชชาได้เนี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่กลับกําเริ่มอีกทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพนะราะว่า บ, บางทีเนี่ยเอาแค่ว่าเร า, เ, าเราทําอยู่ทั่วไป เนี่ยคือเพราะว่า อ, อาวิชชาเนี่ยมันค่อยๆจางคลายไปไม่ได้เรียกว่าเหมือนกั บ, บระเบิดตูมแล้วก็หายไปหมดเลยไม่ใช่งันแต่ว่าความจางคลายไปของอวิชชาเนี่ยแสดงว่ามันก็มีการเกิดขึ้นของมูลที่เป็นลําดับลำดับเหมือนกั น, นในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราปล่อยวางได้ละในอีก3มเดือน5เดือนต่อมามันจี๊ดขึ้นมาอีกนี่เป็นลักษณะของความที่ว่ายังมีการกลับกําเริ่มเนี่ยเราจะทำไงให้จิตของเราเวลาที่มีสิ่งใดๆมากระทบเนี่ยไม่มีความกลับกําเริ่มได้ เป็นเรียกวกุปปธรรมแต่คือทำที่ไม่กลับกําเริบเวลาธรรมะที่จะไม่กลับกำเริบได้อะไรเป็นเชื้อของการเกิดของมันคําตอบด้วยชาวให้ไหว้ก็คือตัณหานั่นนั่นตัณหาเนี่ ย, ยจะเป็นเชื้อให้มางอกใหม่นะเนี่ยพอมีอุปทานมีเชื้อนะีมีนาม้ารสคือนั้นที่ราคะไอ้เจ้าวิญญาณนี่คือเปรียบสมบัติเล็กเนี่ยมันก็ตกกันได้โ ต, ตขึ้ น, นําก็จเจริญ ง, งอกงามกลายเป็นสิ่งที่เกิดใหม่อะไรที่เราละไปแล้วมันดันกลับมาอีกอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องค่อยๆฝึกอยู่เรื่อย เดีฝึกตารายการนี่แหละทุกฟังหรือฝึกในวาระอื่นๆหรือฝึกในรายการก็ได้ที่อาารมาร์กเนี่ยพาทำนั่งสมาธิใช่ไหมเราก็ใช้เวลาช่วงนี้สินาทีสินาทีลองทำดูได้เลยนะต่อมาถ้ามีโอกาสพิเศษอย่างนี้ก็จะมาคุยเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้อีกแล้วเราก็ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องไปได้แต่การทำตรงนี้นะคุณอาจจะไม่ได้ว่าต้องอยู ati, ่กับนั่งหลับตาก็ได้นะจะลืมตาก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ได้เพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นสบาย ในวันนี้ในช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะก็มีข้าพเจ้าพระไปบุญนี่แหละมาพูดคุยเรื่องของ อ, อินซีเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตและจิตก็เป็นที่เล่นไปสู่สติสติก็เป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติมาให้ท่านฟังได้ฟังการพราเรามีอินทรีย์มีภาษาอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเราฟังแล้วเราก็พอที่จะทำสตนิน้อยของเราให้เกิดมีได้บ้างมากบ้างนะพอเรามีสติน้อยบ้างมากบ้างเราก็ทําวิมุตต์ให้เกิดขึ้นตามลําดับตามเหตุปัจจัยที่สมควร น, นั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันสัปดาห์หน้าตัวข้าพเจ้าเองก็จะไปจัดรายการต่างสาวิติที่สถา น, นีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคุณสันสนีและข้าพเจ้าก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนจนแลพอรอ